ผูทวสวัสดีค่ะทุกฟังที่ครบค่ะรายการสรนสนีสนทนานะคะสําหรับช่วงวันพฤหั ส, สบดีและวันศุกร์ mm hmm. ก็จะเป็นโอกาสที่ mm hmm. ดิฉันสันสนีนาคพงนะคะได้สนทนาธรรมกับท่านภรรัยบูลหรือว่าพระภัยบูลอภิปุนโนจากวัดป่าดอนหายโศอุดรธานีสําหรับวันนี้ก็ยังอยู่ในห่วงเวลาที่ทางวัดนั้นได้จัดให้มีการปฏิบัติธรรมกับผู้ที่สนใจทั้งหลาย ซึ่งเป็นงานประจําของทางวัดเลยนะคะคือเป็นเรื่องของการเยผยแพร่คาสอนของพระสารสดาทางด้านการปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอเป็นประจําทุกเดือนพระอาจารย์ก็เหนื่อยหน่อยนะคะเพราะว่าต้องสอนจนดึกจนดื่นแล้วก็มาบันทึกเทปเพื่อที่จะมาให้ท่านทั้งหลายได้มีโอกาสเข้าถึงทํากันเรากา็ไปกราบนมัส ก, การท่านด้วยความสํานึกในความเมตตาของท่านอย่างสูงในโอกาสนี้คะ่ะนมัส ก, การท่านค่ะเยี่ยมานค่ะ ครั้งนี้คนเยอะไหมคะท่านคะเพระช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมคุณยมติวค่ะ อ, อทั้งผู้ปกครองนักเรียนคุณครูก็แห่กันมามันก็ประมาณร้อยยี่สิบคนที่เรามีตอนนี้โอ้ขาดีนะคะครูกับนักเรียนที่จัดมาด้วยกันหรือว่าต่างคนต่างมากันนะคะต่างคนต่างมาจากทั่วสารทิศนั่นแหละเพราะว่าปิดเทอมแล้วครูก็ว่าง น, นักเรียนก็ว่างผู้ปกครองก็ว่างแต่ก็เลยมากันที่ ม, มาม า, มากันนี่อายุอ่าจาก สักเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่อ่มี<ค>ตั้งแต่เก้าขวบนะเก้าขวบก็มีจนถึงแปดสิบสามมากที่สุดนี่คือแปดสิบสามครั้งเนี้ยนะคะใช่ใช่รู้สึกช่วงห่างนี่ห่างกันมากจริงๆแล้วท่านจะสอนอ่ง่ายหรือยากค่ไหนอย่างนี้เออคือว่าสำหรับเยาวชนเนี่ยก็จะต้องเอรียกเข้ามาพิเศษให้ข้อมูลเพิ่มเติ ม, เ พ, ม, เ, พมเพราะว่าเอ่อคอนเซปต์หรือว่าเรื่องราว บ, บางอย่างคศัพท์อะไรต่างๆเนี่ย เราก็พูดเป็นธรรมดาไปใช่ไหมพูดแบบกลางๆแต่ว่ามีสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจพิเศษให้อธิบายอะไรให้มันง่ายขึ้นก็จะเรียกเข้ามาพิเศษมันก็จะมีช่วงตรงนั้นด้วยงกำลังหลับตานึกถึงคำกล่าวของคนไทยแต่โบราณที่ว่าจับปูใส่กระด้งนะคะสุดท้ายเด็กๆที่เราคิดว่าเขาต้องซุกซนเรียนสมแขงปูเนี่ยเเข้มแข็งใช่นี้เขามีความเข้มแข็งคือเขาก็มากับผู้ปกครองนะ แล้ว ก, ก่อนจะเริ่มการปฏิบัติเราก็ต้องสัมภาษณ์เขาก่อนนิดนึงว่าเขาทำได้ไหมสามารถที่จะรักษาศีลแได้ไหมนะคือคือเด็กบางคนก็จะร้องไห้งองแงกินข้าวอย่างเงี้ยน ะ, ะถึงเวลานอนก็จะง่วงก็จะไปนอนเลยอย่างเงี้ยแต่พวกนี้เขาก็อยู่ในวินยัยนะเด็กบางคนเขาก็เป็นพวกนี้เขาทํทำได้แต่ซึ่งพวกที่มาเนี่ยขวบสองคน12ขวบก็มีอีก3 4ี่คนเป็นเยาวชนทั้งหมด10คนช่วงนี้ที่น้อยกว่าสิปี ก็ <C RA> เป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังที่อาจจะคิดว่าลูกหลานปิดเทอมให้ทำในสิ่งที่มีประโยชน์หรือบางครั้งเนี่ยลูกหลานปิดเทอมสบายแล้วไม่ต้องไปส่งเรียน<ม>แต่ก็เป็นห่วงที่จะคิดทิ้งเขาไว้ที่บ้านก็จะได้ทราบว่ามีโอกาสนะคะที่จะให้เขาได้มีโอกาสฝึกฝนไปพร้พรอมๆือนด้วยกับเราค่ะวัดป่าดอนายโซอุดรธานีนะคะท่านติดต่อ้าไปได้ที่เว็บไซต์ที่ wpdhs.org จะง่ายๆก็คือตัวย่อของอักษรภาษาไทยเนี่ยใช่ไหมคะใช่ใช่คก็วัดป่า DHS อก็ดอนไฮโซค่ะ .org อันนี้แนะให้จำให้ได้ง่ายๆมาถึงต้องขออนุญาตที่จะเข้าถึงคำถามแล้วนะคะเดี๋ยวเวลาของเราจะไม่พอดิฉันเองเนี่ยมีเพื่อนคนหนึ่งเขา ส่งข้อความนี้มาให้หลังจากที่เราส่งธรรมะที่พระพุทธองค์ตรัสว่าความพอใจเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์กันนะคะท่านก็ส่งขึ้นมาเลยบอกว่าสำหรับพี่แล้วเนี่ยทุกข์เพราะรักลูกมากอืมใช่ดิฉันก็เลยเข้าใจว่าโอ้โหเนี่ยน่าจะเป็นคำถามที่คนนี้ถามแต่เผื่อแผ่ไปถึงคนอีกเป็นจานวนมากก็ ขอให้ท่านเพริบุญได้ช่วยกรุณาให้ธรรมะที่คิดว่าน่าจะทําทให้สบายใจขึ้นไม่ได้ทุกมากขึ้นนะนะคะแต่พอมีมีเรื่องรา่มีครั้งหนึ่งบุริชาวก็เดินไปตามถนนเนี่ยเราก็เห็นขาา้าราชการคนหนึ่งแต่ข้ า, าราชบดีคนนี้เขาก็แบบหน้าตาเศร้ามากเลยร้องไห้ร้องหม่มแะไรต่างๆปริชาวก็ถามว่าเอาเป็นอะไรล่ะข้าบดีก็บอกว่าลูกน้อยที่น่ารักคนเดียวของเขาเนี่ยตายเสียแล้วแต่เพราะว่าการตายของลูกน้อยนั้น การงานก็ทําอะไรไม่ได้ทุกอย่างมืดมนไปหมดคิดอะไรไม่ออกข้าวก็ไม่อยากกินไปทํางานก็ไม่อยากทําเจอใครก็ไม่อยากเจอนะเป็นอย่างนั้นเออปรากฏว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เลยบอกว่านี่แหละนะความโศกย่อมเกิดแต่ความรักเมื่อพ้อนแล้วจากความรักนะความโศกก็ไม่มีแตนะ่ตัดไว้แค่นี้ก็ปรากฏว่าเออขรรดาบดี ค, บบคนนี้เขาก็ไม่เข้าใจแต่คือเขาก็ไม่ไม่รู้มันไม่น่าจะใช่นะ จ ร, จริงๆความสุขตั้งหากย่อมเกิดจากของรักเก็มีความเข้าใจอย่างนี้ว่าของที่เรารักเนี่ยย่อมให้ความสุขแก่เรา น, นี่นี่คือความเข้าใจของกระดาบบดีคนนี้น ะ, ะเขาก็เลยไ ม, ไม่ไม่คือไม่เข้าใจที่พระเจ้าสอ น, นี่ก็เลยไปหากลุ่มที่นักเลงเล่นนักเลงสากาเนี่ยพวกเล่นหมากอะไรบางอย่างที่เป็นเกี่ยวกับการบันันเนี่ยน ะ, ะเขาก็เลยไปเล่าเรื่องที่สมณโคโดมคือพระเจ้าของเราเนี่ยบอกให้ฟังเอี่ยงพระองค์นั้นเนี่ยบอกว่า ความสุขย่อมเกดแต่ความรักพวกนักเลงสกาพวกนั้นเขาก็ไม่ใช่ความสุขความพอใจตัางหากย่อมเกิดจากของรักย่อมเกิดจากของรักบางคนก็มีความเห็นเข้าใจตรงกันนะว่าเมันน่าจะถูกแล้วก็แยกย้ายกันไปแต่ความเข้าใจของเขาเนี่ยผิดว่าถ้าเราคิดว่าความสุขความเพลิดเพลินความพอใจเนี่ยเกิดจากของรักมีของรักเป็นดั่งเกิดเนี่ยความเข้าใจเนี่ยผิดแต่ที่ถูกคือความโศกย่อมเกิดจากของรัก นะความความทุกเนี่ยย่อมเกิดจากของรักค่ะนี่คือที่พระเจ้าสอนเหมือนท่านกำลังจะพยายามตอบคำถามนี้ว่าถูกต้องแล้วถูกร้แล้วลจึงต้องมีความทุกข์แน่นอนแนะ่นอนครับปรากฏว่าเรื่องนี้ยังไม่จบคุณยมติวค่ ะ, อะพอข่าวนี้กระซอนกระชายไปเนาะโอ้โพรเจ้าพูดอย่างนี้พระเจ้าพูดอย่างนี้แล้วก็มีคนหนึ่งเนี่ยเอาข่าวนี้ไปบอกให้พ ร, ระเจ้าเปรนเสนทิโกสนทราบ นะพอบอกให้พระเจ้าเปรตที่โกรธสนสะพระเจ้าเปรตที่โกรธสก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมันจะเป็นไปได้งไงความทุกข์ความโศกจะเกิดจากของที่รักแตนะ่จริงๆของที่เรารักเนี่ยน่าจะให้ความสุขเรามากกว่าก็มีความเข้าใจว่างั้นแล้วก็เลยไปเรียกมาเหสีของตัวเองคือนางมาริกานางมาริกาเทวีนมาถามว่าอืก็เธอเป็นลูกศิษย์ของพริเจ้าไม่ใช่หรอน่าจะเข้าใจนะอธิบายให้ฟังหน่อยนางมาริกาเทวีเนี่ยก็เลยบอกว่าเอา้าก็ถ้าพริเาพูดอย่างนั้นก็คงจะต้องเป็นอย่างนั้นแหละ เนื่องจากว่าตัวเองมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าใช่ไหม <Okay. S 2> กับพระเจ้าอย่างนี้ก็คือจบก็คือเข้าใจตามนั้นก็ต้องเป็นอย่างนั้นพระพระเจ้าพระเศีิรทีโกศลก็เลยว่าให้นะนะคุณยมตววิว่าว่านางมริกาทีวีว่าเอา้าทำไมเป็นอย่างนี้ต้องเข้าข้างกันหรือแบบทำไมไม่เข้าใจไม่สามารถอธิบายได้อย่างเงี้ย <Okay. S 2> นางมริกาทวีตอนนี้ก็เลยส่งเอ่อก็เรียกว่าคนรับใช้ของตัวเองเป็นเป็นก็เรียกว่าเหมือนกับทูตนะไมไปสอบถามเรื่องนี้กับพระพุทธเจ้า ไปสอบถามเรื่องนี้พระเจ้าก็เลยได้คําตอบมาในะที่จะมาอธิบายให้ประชาเประเซนต์ดีโก้สนเข้าใจได้นะเป็นในยะที่ลักษณะว่าถ้าสมมุติว่าลูกของเราแลนะนี่คือการอธิบายที่พระเจ้าอธิบายให้ฟังนะว่าถ้าลูกของเรานะคือสิ่งที่เรารักเนี่ยเขาเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นในแน่นอนลูกของเราเรารักในะถ้าเขาทําสิ่งที่เราดีเราพอใจเราจะมีความสุขอันนี้คือที่คนทั่วไปก็จะเข้าใจกันนะแต่มันจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นไง เพราะว่าถ้าสิ่งที่เรารักนั้นเนี่ยมีลูกของเราเป็นต้นของของเราเป็นต้นเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปจากสิ่งที่เราหวังเนีเช่นในกรณีตายหรือว่ามีความคิดเปลี่ยนไปถ้าเป็นคนที่เพศตรงข้ามเป็นคู่ครองกันอย่างเงี้ยเขาเกิดไปมีชู้โอ้โหมันเจี๊ยดมากเลยตรงเนี้ยจะเป็นความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นพระเจ้าจึงบอกว่าความโศกย่อมเกิดจากของรักตรงนี้นี่คือที่พระเจ้าหมายถึงค่ะนะคะก็คือ เหมือนกับว่าของที่เรารักเนี่ยเราคิดว่าเขาจะต้องให้ความสุขเราในลักษณะนี้แต่ว่าอาจจะแปลเปลี่ยนไปเป็นลักษณะที่ทำให้เราเกิดความทุกข์ได้ไม่คงที่เหมือนเดิมเหมือนอที่เราคาดหวังถูกต้องค่ะแล้วเรื่องนี้เป็นแน่นอนเป็นแน่นอนเพราะอะไรเพราะว่าของที่เรารักนั่นน่ะนจะต้องแก่จะต้องตายาจะมีความไม่เที่ยงมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาค่ะอ่อ ท่านขึ้นต้นเนี่ยค่อนข้างโหดร้ายสำหรับคนที่คือจริงๆนะคะดิฉันเข้าใจว่าพอท่านยกตัวอย่างมาปุ๊บเนี่ยลูกตายเลยโอ้โหนี่ลูกยังเด็กๆอยู่เลยนะยังคิดว่าจะต้องเติบโ<อ>ตไปอะไรเ<ะ>นะนี่ยว่ลักษณะเหมือนกับจะต้องเบ่งบานมากขึ้นบานสมบูรณ์งดงามแต่ท่านพูดถึงตอนตายเลย ก็อันนี้มันมันเป็นความจริงอะนะคือที่ที่พระเจ้าก็ก็บอกไว้ลูกตายก่อนพ่อก็มีจริงๆอันนี้เป็นภัยหนึ่งในสามอย่างที่แม่ลูกนะช่วยกันไม่ได้ดิฉันอยากจะกราบเรียนท่านว่าก่อนจะไปถึงบทตายเนี่ยเอาขอตอนที่ยังอยู่ก่อนได้ไหมคะว่าในระหว่างที่ลูกยังอยู่เนี่ยนะคะทำอย่างไรถึงจะทำให้ความรู้สึกของเราเนี่ยเพราะบางทีอย่าง คนที่ดิฉันยกตัวอย่างเนี่ย<อ>เขาก็บอกแล้วว่าเขารู้ว่าเขาทุกข์เพราะรักลูกมากใช่ไหมคะใช่ค่ะทอย่างไรถึงจะให้เขาทุกข์น้อยลงมีความสุขในระหว่างที่ลูกก็ยังไม่เป็นอะไรกําลังสวยสดงดงามไม่คเคยสร้างปัญหาเลยค่ะท่านค่ะเอ่อถ้าระหว่างที่ที่ลูกยังไม่เป็นอะไรแต่วา่าเรามีความรักในลูกนะค่ะถ้าถ้าเรามีความรักในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยตรงนั้นคือเราถูกตันหาแทงแล้วถูกตันหาถูกลูกสอนคือตันหาแทงให้แล้ว แต่แต่เรายังไม่รู้สึกเจ็บเพราะว่าลูกศร น, นี้มันมีนมพิษคือเราชาอยู่เรามึอนอยู่ถูกมึนทําให้มึนทําให้ชาอ ย, า อ, ยาอยู่ด้วยอวิชาอวิชานี่ก็เป็นพิษของมันเป็นพิษของตันหาลูกศรอลับยาพษิษแทีนี้ว่าเราจะเราจ ะ, าจะถอนลูกศรตรงนี้ได้คือพอลูกศรมันทิ่มแล้วเนี่ยพิษเนี่ยก็จะวิ่งเข้าสู่หัวใจแต่ระหว่างที่พิษจะวิ่งเข้าสู่หัวใจอาจจะใช้เวลานา น, า น, นคือตอนที่เรารักเ้าเนี่ย พีทมันยังไม่ออกแ ต, อแต่พอเขาเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นจากที่ระหวังคือความจริงเริ่มปรากฏนะพอความจริงเริ่มปรากฏอวิชาเปิดตัวออกมาปุ๊บมันจะจีด๊ดมันจะเจ็บที่หัวใจแนะถูกแทงที่ไหนไม่รู้อาจจะถูกแทงที่แขนที่ขาแต่ว่าเจ็บที่หัวใจเพราะพิษมันแล่นเข้าสู่หัวใจมันจะเจ็บตรงนี้นะนั่นคือความจริงที่เริ่มปรากฏละว่าสิ่งต่ตางๆมีความไป็นกองไม่เที่ยงแต่ทําไมสิ่งอื่นเราไม่รู้สึกแคร์ล่ะนะลูกคนอื่นเขาก็ตายลูกคนอื่นเขาก็เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ป่ะ ค, คนตายทุโล ก, กเยอะแยะเหตุการณ์ในแอฟริกาก่อนมีแต่เราไม่รู้สึกเจ็บเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่ได้รักสิ่งนั้นเพราะเราไม่ได้ถูกลูกศรแทงจากฝั่งนั้นแต่เราถูกลูกศรแทงจากคนนีนะ้เพรดังนั้นตัญหาไม่เกิดจากภาษาที่ที่เกิดขึ้นกับบุคคล น, นี้เท่านั้นแนะต่ทีนี้เราจะตรวจหาไอ้เจ้าลูกสอนที่มันแทงตรงนี้ได้อย่างไร ค, นะคือถ้าเราคิดว่าสิ่งนั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงไปนั่นไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องนะ <Okay. S 2> ถ้าเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องก็คือว่าต้องถอนลูกศรคือตันหาตรงนี้นะทํำยังไงล่ะถึงเราถึงจะหาจุดที่มันแทงได้คุณช้าก็พูดถึงเครื่องตรวจหาหัวลูกศรซึ่งเครื่องตรวจหาหัวลูกศรเนี่ยอาจะพูดในสมัยปัจจุบันก็คือเครื่องเอกซเรย์ ray, นะ <Okay. S 2> สมมุติว่าถูกถูกลูกปืนยิงนะเข้าไปไม่รู้ฝังอยู่ตรงส่วนไหนส่วนหนึ่งของร่างกายหมอเขาจะเอกซเรย์ก่อนว่าลูกปืนอยู่ไหน <Okay. S 2> เครื่องเอกซเรย์เนี่ยก็คือสตินะั่นเอง นีสติเนี่ยคือเครื่องตรวจหาหัวลูกศรพระเจ้ายกตัวอย่างเอาไว้แต่เพราะนั้นเราตั้งสติเอาไว้ตั้งสติเอาไว้เนี่สติอยู่ที่ไหนลมหายใจก็ได้จ ะ, ลละเลึกถึงพระรูชาก็ได้นีมีเลึกถึงพระธรรมเลิกถึงศีลของเราเป็นศีลานุสติพุทธานุสติอานาปนาสติได้ทั้งนั้นก่อสักวิธีใดวิธีหนึ่งให้เราตั้งสติขึ้นได้ก่อนตั้งสติขึ้นได้เสร็จปุ๊บแล้วก็พอรู้ว่าลูกศรอยู่ตรงนี้ก็ต้องใช้มีดคมๆเนี่ยปาดออก แล้วก็เอาลูกศร อ, ออกเนี่ยมีดนั้นก็คือปัญญามีดนั้นคือปัญญาปัญญาในที่นี้หมายถึงอะไรนะคือไม่ใช่เรียนจบดอกเตอร์ปริญญาโทรปริญญาเอกอะไรพวกนั้นนนั้แต่ปัญญาในการที่จะเห็นตามที่เป็นจริงปัญญาในการที่จะเห็นความเกิดขึ้นและความตั้งอยู่ไม่ได้ของสิ่งต่างๆ <c oughs> พูดง่ายๆคือเห็นความไม่เที่ยงนั่นเองทีนี้เราจะไม่เห็นความไม่เที่ยงได้เลยนะคุณโยมติวเราจะไม่เห็นเลยถ้าเผื่อว่าใจเราไม่มีสติไม่มีสมาธิค่ะ <c oughs> เพราะว่าถ้าใจเรามันไปเกลือกกล้วในอารมณ์นั้นๆเนี่ย ถ้าเป็นที่ชอบใจใช่ป่ะเราก็จะไม่เห็นว่ามันไม่เที่ยงเราก็จะแบบเราก็จะมีอคติอะเราก็จะแบบคิดว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยๆค่ะแต่ถ้าเป็นสิ่งที่เราเกลียดขยะขยัง้งแต่เราไม่ชอบใจเราก็จะไม่เห็นตามที่มันเป็นจริงอ่ะเราก็จะมีไบแอรมีอคติค่ะเพราะฉะนั้นจิตตรงนั้นจึงต้องมีสติตั้งเอาไว้นะไม่พุ่งเข้าไปหาสิ่งที่น่าพอใจไม่วิ่งหนีสิ่งที่ไม่น่าพอใจเห็นสิ่งนั้นตามสาภาพตามเนื้อผ้าที่มันเป็นค่ะ <c oughs> การเห็นอย่างี้้้คือใใชชปปััญญนะญญานะ เหมอนตรงนี้อุปมาอุปไม้ที่ผู้เช้ายกเนี่ยดีมากเลยว่าถ้าเราถูกตัณหาคือลูกศรลูกศรนคือตัาแทงแล้วแต่คุณจะต้องมีสติก่อนนะในการตรวจหาว่ามันแทงตรงไหนเ<ช>สร็จปุ๊บต้องเอามีดกลมๆปาดเข้าไปคือเห็นตามที่เป็นจริงนะเออจะค่อยถ อ, ออถอนออกได้ถอนออกได้แต่ถ้าเราถอนออกได้หมดสบายใจแล้วเนี่ยลูกจะเป็นอยู่ลูกจะดีลูกจะไม่ดีเราจะจะสบายใจอยู่คือเราจะไม่ร่ําให้กลํามคุณทุบอกชกตัวงั้น ก็เท่ากับว่าท่านกําลังจะบอกว่าเราต้องพยายามมีสติแล้วก็เข้าถึงความเป็นจริงให้ได้ใช่ว่าอที่บอกว่ า, ามีดปาดไปดูไปเห็นหัวลูกศรเนี่ยนะคะลูกศรในที่นี้คือปัญญาที่ว่าไม่เที่ยงก็เหรอคะไม่ถูก ล, ลูกศรนี่คือตันหามันทิ่มแทงเราอยู่เนื้อมีดคมๆเนี่ยคือปัญญาเนื้นสาสตร์ตาที่คมๆเนี่ยมีดหมอภาตัด น, นี่แหละ แล้วหมอที่มารักษาเนี่ยคือพระพุทธเจ้าค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าคือบางคนเนี่ยเขาอาจจะยังไม่เคยศึกษาคำสอนอย่างละเอียดไม่รู้ว่าสุขกับทุกข์เนี่ยของอันเดียวกันอย่างเงี้ยนะคะก็เหมือนกับว่าต้องพยายามทำความเข้าใจาให้ถูกต้องเมื่อสักครู่ที่ที่ฉันไปขัดจังหวะท่านไว้เนี่ยเห็นท่านกำลังพูดถึงว่าภัยที่พ่อแม่ลูกช่วยกันไม่ได้ กำลัจะไปที่นั่นหรือเปล่าคะขออนุ ญ, ญาตท่านไปต่อตรงนี้เลยได้ไมครับเจริญสบูรณ์คือพูดถึงว่าคือตอนเนี้ถ้าสมมุติว่าพิษมันออกแล้วคือคือเราต้องต้องทําความเข้าใจนิดหนึ่งว่าตอนที่คุณจะเอาเอาหัวลูกศร อ, ออกเนี่ยน ะ, ค, ะคือพิษเนี่ยมันอยู่ในกระแสเลือดอยู่แล้วนะพิษตรงนี้ก็คืออวิชาที่เราพูดถึงแต่ที น, นี้ถ้ามันยังแล่นไม่ถึงหัวใจเนี่ยมันจะไม่เจ็บเท่าไร่มันจะไม่เจ็บมากแต่ถ้ามันแล่นถึงหัวใจแล้วคุณจะเจ็บมาก จะเจ็บหรื north? อจะไม่เจ็บก็ตามยังไงลูกศรก็ต้องเอาออกยังไงพิษก็ต้องถอนออกให้ได้ยังไงก็ต้องเปิดปากแผลยังไงไก็ต้องหาหัวลูกศรให้เจอนะทีนี้แสดงว่าเราจะต้องมีสติอยู่ตลอดเราจะต้องมีปัญญาอยู่ตลอดนะทีนี้พิษยังยังไม่ออกก็คือยังโชคดีหน่อยยังไม่เจ็บเท่าไหร่แต่ถ้าพิษออกแล้วคุณจะเจ็บมากยังไงก็ต้องตั้งสติให้ได้ยังไงก็ต้องมีปัญญาให้ได้ปัญญาตรงเนี้ยที่จึงต้องทําความเข้าใจไงคุณโยมติว่าสิ่งที่ มารดาและแม่กับลูกเนี่ยช่วยกันไม่ได้นังนั้นบางคนจะมีความคิดว่าอย่างเช่นภัยเนี่ยนะเช่นว่าสึนามิมาเนี่ยน้ำท่วมพัดมาเนี่ยแม่ไปทางลูกไปทางเนี่ยช่วยกันไม่ได้อันนี้อย่างที่1 ห, หรือว่าบางทีภัยเช่นไฟไหม้ครั้งใหญ่เนี่ยเราจะเคยได้ยินข่าว20ปีที่แล้ ว, ลวมั้งไฟไหม้สนามคองเตออย่างเงี้ยใหญ่มากแล้วก็แม่ไปทางลูกไปทางหากันไม่เจอหรือว่ามีโจรขบวนนะ ปล้นเมืองปล้นบ้านเมืองอะไรต่างแต่ทําความเสียหายแม่ไปทางลูกใบทางนหาก็ไม่เจอเนี่ยแต่จริงๆแล้วภัย3อย่างเนี่ยบางทีแม่ลูกก็ยังช่วยกันได้บางนะแต่ภัยที่แม่ลูกช่วยกันไม่ได้จริงๆเนี่ยคือภัยที่เกิดจากความแก่ความเจ็บแล้วก็ความตายแต่แม่เนี่ยจะมาขอให้ลูกที่กําลังเจ็บอยู่เนี่ยว่าลูกอย่าเจ็บเลยแม่เจ็บแทนนะหรือลูกจะไปขอให้ลูกตายแทนแม่ไม่ต้องตายเนี่ยมันไม่ได้ นะเป็นสิ่งที่ช่วยกันไม่ได้เลยเก็เคยเห็นเยอะแยนะเนาะแม่อยู่ข้างเตียงลูกกำลังป่วยแตนะ่แม่มาขอให้แม่ป่วยแทนลูกไม่ต้องป่วยเงี้ยมันมันเป็นสิ่งที่แทนกันไม่ได้นะเป็นภัยที่บุรุชาบอกว่ า, าช่วยกันไม่ได้แต่ว่ามันมีทางออกตรงนี้คุณโยมเติยวคือเรากาลงัลงพูดเนี่ยคือพูดที่ให้มีทางออกนะให้มีทางออกนะคือแน่นอนนี่ทำความเข้าใจก่อนว่า อ๋อมันไม่ใช่สิ่งภายนอกนะแต่เป็นความแก่ความเจ็บความตายที่เกิดขึ้นอาตมาเคยประสบการณ์ตรงตอนนั้นเนี่ยเราอายุประมาณ10กขวบนะจหมีการนี้ได้เลยก็น่อยกับแม่แม่อตมาเนี่ยก็จะมีอาการปวดขาปวดเขา่าปวดกระดูกเหมือนอย่างคนที่ผู้หญิงก็เป็นการอายุมากมากนะตอนนั้นเนี่ยก็ประมาณตีสามท่านก็ลุกขึ้นมาแล้วก็นวดตรงน่องของตัวเองเนี่ยมันปวดในน่องเราก็พอแม่นวดไปสักหน่อยเราก็รู้สึกตัวขึ้นมา แล้วก็เอาแม่เป็นอะไรปวดข า, าเราก็ช่วยนวด เ, เราเป็นลูกเราก็ช่วยนวดใช่ไหมนวดไปนวดไปครึ่งชั่วโมงก็แล้วสี่สิบนาทีก็แล้วก็ยังไม่หายยังไม่หายปวดนะอาตมาตอนนั้นเป็นเด็กอายุสิบขวบแลนะมีความคิดในใจว่าเออเราจะปวดแทนแม่ได้ไหมให้แม่ไม่ต้องปวดแล้วก็คิดเล่นๆตามภาษาเด็กนะคก็มันก็ไม่ได้คําตอบอะไรสมัยเด็กๆ ก, ก็ไม่ได้คิดอะไรมากคิดแค่นีนะ้แต่พ่อมาศึกษาคําสอนพระพุทธเจ้าเนี่ย โอ้มันสะท้อนใจมากคุณโยมติว่วาใช่เราช่วยแม่ไม่ได้เลยตอนนั้นแล้วกดเท่าไหร่แล้นวดเท่าไหร่ก็ช่วยแม่ให้หายปวดไม่ได้เราจะขอปวดแทนแม่ก็ยังไม่ได้เลยเป็นภัยที่ลูกกับแม่เนี่ยช่วยกันไม่ได้จริงๆแต่ว่าทางออกมีอยู่คุณโยมติวพระเจาบอกว่าหนทางมีอยู่ปฏิปทามีอยู่ที่เป็นไปเพื่อเลิกละก้าวล่วงเสียซึ่งภัยทั้ง6อย่างนี้นะทั้งไฟไหม้ทั้งน้ําท่วมทั้งโจปรปล้น ทั้งแก่เจ็บตายสามารถเลิกละก้าวล่วงเสียซึ่งภัยทั้งหกอย่างนี้ได้ค่ะนั่นคืออริยมรรคมีองค์แปดนั่นคือคพูดทั้งแต่เรื่องศีลสมาธิปัญญาแล้วก็มีสัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธินี่แหละเป็นสิ่งที่สามารถก้าวล่วงเลิกละเพิกถอนสิ่งเหล่านี้ได้หมดค่ะงั้นถ้าจะขมวดโดยสรุปเนี่ก็คือว่ามันไม่แปลกหรอกที่จะมีความทุกข์ เพราะรักลกูถูกไหมคะก็พุทโธตรัสว่าความทุกข์เนี่ยเกิดจากความรักทําพูดให้สรุปง่ายๆใ่แต่ว่าเราจะทุกข์น้อยลงเอางี้ดีกว่านะคะท่านคะมนุษย์ธรรมดาเนี่ยคงจะบอกว่าไม่มีความทุกข์เนี่ยแตฉันไม่เชื่อนะคะไม่มากก็น้อยเนี่ยต้องมีถ้ายังเป็นปุถุชนอยู่มีมีมีมีแ ม, ม, ม, ม้แต่พระยาเจ้าก็ยังต้องเจอนะใช่ไหมคะปวดแขนปวดคาก็มีแน่นอนค่ะแต่เหมือนกับว่าจะต้องพยายามที่จะ เข้าใจความทุกข์นี่สื่อสารที่พระเจ้าใช้ทุกเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้คือความเข้าใจค่ะแล้วก็ต้องมีสติใช่ไหมคะถูกต้องถูกต้องที่จะใช้ปัญญาที่เปรียบเสมือนมีดไปฝานหาหัวลูกศรคือตันหาคือตัญหาที่ออกให้ได้ใช่ใชนะคะดังนั้นที่ท่านมาถึงตรงสุดท้ายที่บอกว่าพระพุทธองค์จึงตรัสว่าหนทางที่จะก้าวล่วงจากภัย หกประการนั้นเสียได้ซึ่งอันนี้รวมหลายๆพระสูตรเข้าไปแล้วก็พระสูตรที่น่ากลัวที่สุดก็คือเหมือนว่าเห็นความเป็นจริงจริ ง, รงหรือว่าสุดท้ายแล้วต่อให้รักกันยังไงต่อให้คิดว่าจะทุ่มเทชีวิตให้กันยังไงก็ช่วยกันไม่ได้เนี่ยพระพุทธองค์บอกช่วยได้ด้วยอริยมรมรยงแปดทุกต้องถูกต้องนะคะดังนั้นเนี่ยเอาแบบง่ายๆค่ะท่านคะคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายบอกโอ้โ oh, ห oh, อริยมรรยงแปดท่านจะทำได้เหรอในชีวิตนี้ <c oughs> ทำไงคะท่าคะเช่นว่าเราตื่นเช้ามา แล้วเราก็พูดดีๆต่อกันแไม่ดา่าไม่ว่ากันอันนี้แสดงว่าคุณมีสามาวาจาแล้วน ะ, ะแล้วก็คุณก็มีสามาธิถิ่ด้วยเพราะว่าคิดว่าการพูดดีคิดดีต่อกันเป็นสิ่งดีนะนนี่คือเรามีมรรคแปอยู่2อสข้อลนะแล้วทาไปทําไปนะมีเวลามีโกรธจี้ขึ้นมาบางทีมีเรื่องกระทบกันแมมจะด่าจะว่าแต่เราก็หักห้ามใจไม่ทำแนะสดงว่าคุณยังมีการกากาา ร, ระด้นับหนึ่งนะแล้วก็พอเราทํามากทำไปเรื่อยๆเนี่ย พ อ, อกุศลธรรมมันเริ่มลดลงมากๆากกุศลธรรมมันเริ่มเพิ่มขึ้นมากๆากในใจเราก็จะเริ่มมีสมาธิมีสมาสังปกปักเกิดขึ้นอันนี้ก็คือคือทั่วๆไปในชีวิตประจําวันทีนี้หรือว่าถ้าเราจะต้องการฝึกเป็นรูปแบบอาจจะมานั่งสมาธิรักษาสีให้เป็นเรื่องเป็นราวนี้ก็ทําได้เหมือนกันแต่ในชีวิตประจําวันเนี่ยเราทําได้อยู่แล้วเราต้อกจากเรื่องของการที่เราจะปฏิบัติในชีวิตประจําวันแล้วเราจะมานั่งสมาธิเป็นรูปแบบฝึกปฏิบัติที่วัดอย่างนี้ก็ได้ มีอีประเด็นหนึ่งคุณยมติวที่เกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่ของพ่อแม่กับลูกถ้าในกรณีของกรณีนี้ที่คุณยมติวยกตัวอย่างมาเนี่ยนะะนอกจากเรื่องของสัมมาวาจาร์ที่เราพูดเมื่อสักครู่นี้เราก็ทําตามหน้าที่ของมารดาบิดาก็ได้ก็ะะคือว่ามารดาบิดาเนี่ยต้องทําหน้าที่อะไรกับลูกลก็คือ1ห้ามเสียจากบาป2ให้ตั้งอยู่ในความดีสามให้ศึกษาศิ 4, ล ป, ปวิทยา4ก็มอบมรดกให้แ ล, แล้วก็ หาก็หาคู่ครองให้เมื่อเวลาที่สมควรเพราะฉะนั้นเรื่องสองสอย่างแรกเนี่ยสำคัญแต่คือบางคนคิดว่าข้อที่3านี่คือการให้ศึกษาศิลปาปพิธียาก็คือส่งไปในโรงเรียนใช่ไหมคิดว่าครูเนี่ยเขาจะสอนเรื่องจริยธรรมคุณธรรมรอะไรต่างๆแต่ไม่แน่แต่ซึ่งจริงๆตรงนี้เป็นหน้าที่ของมารดาปิดาเลยเนที่บอกว่าห้ามเสียชะบาบให้ลูกตั้งอยู่ในความดีแต่ตรงนี้สําคัญแต่เราจะทำไงให้ลูกมีกุศลธรรม ทำยังไงให้ลูกไม่สั่งสมสิ่งที่เป็นอกุศลอันนี้เราต้องทําต้องสร้างสมต้องพูดคุยต้องเล่าเรื่องต้องให้ศึกษาคำสอนนะอันนี้ต้องทําทุกวิธีทางค่ะอืมนะค่ะก็เท่ากับว่าถ้าคิดว่าเราเป็นชาวพุทธเราศรัทธาในพระพุทธเจ้าเราก็นำเอาสิ่งที่ท่านสอนไปใช้โดยเฉพาะเรื่องของลูกๆแม่ๆเนี่ยท่านสอนเหมือน ถ้าเป็นฝรั่งเขาบอกเทเลเมส์นะฮะคือตัดให้โดยเฉพาะว่าเอ า, เ, อาเรื่องเนี้ยหน้าที่แบบนี้เอาไปใช้แล้วกันนะคะกระทบทวนให้อีกครั้งหนึ่งว่าหน้าที่ของมารดาบิดาที่จะมีต่อบุตรนั่นคือห้ามเสียจากบวาวให้ตั้งอยู่ในความดีให้ศึกษาศิลปะให้มีครูครองที่สมควรมอบมอรดกให้ตามเวลาแล้วก็พยายามนะคะที่จะปฏิบัติตามบรยิยมคมีองค์แปดเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยจะทําให้ท่านได้ในสิ่ง ที่เป็นเครื่องมือสําคัญที่จะไปควานหาลูกศรได้ในเบื้องต้นก็คือให้มีสติใช่ค่ะวันนี้ก็คงจะสมควรแก่เวลานะคะท่านคะใช่บานค่ะนมัส ก, การของพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะใช่บานท่านฝัง่งที่ครบรอบครั้งนี้ก็คือสิ่งที่รายการสรันนิสนทนาอยากจะให้กับท่านทั้งหลายเราอาจจะพูดกันถึงแต่เรื่องความรักของปิดามารดากับพุทธิดาแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของความรักมันก็มีสารพัดความสัมพันธ์นะคะ พ่อแม่ลูกตายยายปู่ย่าหลานความรักฉันสามีพันยาเป็นต้นค่ะก็ขอให้เราทุกคนนะคะได้ใช้ประโยชน์จากพระาศาสดาของเราซึ่งได้ทรงทิ้งในความเป็นาศาสดาเอาไว้ในคำสอนของท่านทั้งหลายไม่ได้สูญหายไปเลยนะคะตรัสกับพระอ น, นุนว่าโดยการล่วงไปแห่งเราเนี่ยก็ดีวินัยก็ดีจะเป็นาศาสดาของพวกเธอทั้งหลายวันนี้ลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะ พุท่ธสวัสดีค่ะ